สองสมัยที่ผ่านมาได้มีโอกาสอ่านหนังสือคิดถึงหลวงพ่ออันนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนบันทึกนะของลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งโยมคิอว่าหนังสือที่แจกเป็นของชํารวยในงานสวพของหลวงพ่อเนี่ยคงนะจะไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าขาด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 พวกเราก็ต้องภาคเพียนนะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ได้อาศัยสุขตนี้นะเป็นที่ทำให้เกิดความา ส, บสบายอกสบายใจแต่ว่ามันก็ยังไม่ปลอดภัยจนกว่าเราจะพบบ้านที่แท้จริงที่อยู่ภายในใจของเราต้องมันทำความเพียนสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น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 เอามาขามป้อมนะมาถวายพระเราบางทีท่านก็เห็นพระนี่เล่นหัวกันท่านก็เกิดความไม่พอใจบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเนี้ยตัวท่านเองนี่มีศีลมากกว่าพระซะอีกเพราะว่าท่านตั้งใจปฏิบัติมากแต่เห็นพระไหลรูปนะไม่ได้ตั้งใจแถนจะมาใช้ท่านทำโน่นทนํานี่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เเรื่องที่สมควรเท่าไหร่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 จะมองภายนอกก็ได้ถ้ามองแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วโอปะนัยโกมองนอมเข้ามาใส่ตัวเมื่ อ, อไหระก็เป็นธรรมะนะเพราะว่าโอปนัยโกนี่เป็นองค์คุณข้อของพระธรรมเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนะเห็นคนเมานี่ทถ้ามองแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวนี่ก็ก็เกิดปัญญานะหรือเกิดสติขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเมาแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละ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 ด้วยความรู้สึกเป็นกลางๆนะรู้สู้ๆคือรู้เฉยๆไม่เข้าไปยึดติดผูกพันเพิเพลินยินดีหากว่าเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจหรือว่าไม่ผลักไสรังเกียจชิงชังหากว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ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 มีอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความอารมณ์ปิติปราโมชเราก็ดูมันไปไม่ไม่เข้าไปเป็นไม่เพลินไม่หลงมีความขุนเคืองหงุดหงิดก็ดูมันไปไม่เข้าไปเป็นวางใจเป็นกลางนี่ก็เป็นหลักนะเป็นหลักที่สําคัญมากองการปฏิบัตินะซึ่งหลวงพ่อท่านก็ใช้คําว่ารู้สื่อนะ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 ปฏิบัติอยู่ในกุฏิปิดประตูปิดหน้าต่างหลวงพระเทียนก็มามาหาก็เรียกว่าก็ถามว่าทำอะไรอยู่หลวงพ่อก็ตอบว่ากำลังสร้างจังหวะอยู่ครับและเห็นผมไหมก็มีเสียงออกมาว่าไม่เห็นครับหลวงพ่อเทียนก็เลยถามว่าทาไมจะเห็นต้องเปิดประตูครับท่านก็เปิดประตูพอเปิดประตูมาก็เห็นหลวงประเทียนอยู่ข้างหน้ากุฏิ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 ก็ศักดิ์ตะวะได้ยินเวลามีความคิดเกิดขึ้นในใจก็ออรู้ทันก็วางเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าบุตรรก็รูรร้แล้วก็ไม่เข้าไปเป็นหรือปรุงมันในวัด ร, รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในก็งคงคล้ายๆกับเวลาเราเดินข้ามถนนนั่นนะเวลาเราเดินข้ามถนนเนี่ยเราคงไม่เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าแล้วก็บริกรรมว่าซ้ายย่างหน่อขวาย่างหนอ หรือไม่เอาจิตไปเพ่งที่ลมหายใจแต่เราก็จะดูว่ามีรถสวนมาไหมถนนว่างไหมในขณที่เราเดินข้ามถนนเราก็รู้ทันใจด้วยเพราะใจอาจจะ ก, กําลังคุนคิดอะไรอยู่สักอย่างกําลังคิดถึงเรื่องงานการนะกำลังคุณเคืองใจเพราะถูกต่อว่าด่าทอในขณะที่เดินข้ามถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าใจมันเป็นอย่างนั้น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 แม่ค้าก็ขายของขายไปได้หลายหลายบาทใช้โชวยโอกาสเพียงแค่เวลา3นาทีห้ทีเท่าก็ขายของได้ละหลวงพ่อท่านก็เอาเอ า, เอาภาพนี้แหละมาสอนนักปฏิบัติมาสอนไปให้รู้จักโชว์โอกาสแบบแม่ค้าเวลาแค่3นาทีห้ทีนี่ก็สามารถหาประโยชน์ได้แล้วแต่ว่าการ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 ลงไหลได้เพื่มนี้ก็เรียกว่าการมาสุขาริการนิโยโนะเป็นสุดตรงอีกแบบหนึ่งเป็นความเพลินในกามาสุขเพลินในสุขหมมุดในสุขก็ไม่ใช่ถ้าเราเพลินก็แสดงว่าเราหลงละเราพลาดละต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมามีสติดูมันเพลินในความยินดีปรีดานี่ก็ไม่ใช่นะเพลินในความสงบก็ไม่ถูกต้องวางใจเป็นกลาง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 เสียสละความแค้นมันเพียรแล้วก็ให้นึกถึงสติด้วยนึกถึงความรู้สึกตัวด้วยคิดถึงหลวงพอ่อทีลายก็ให้สติมันมันเกิดขึ้นหรือว่านึกถึ ง, ถงนึกถึงท่านทีลายก็ทําให้เราพยายามตั้งสติให้ได้ทําความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นแต่ถ้านึกถึงหลวงพอ่อแล้วเกิดเศร้าขึ้นมาอาไลเหงา ว, ว้าเววังเวงอันนี้ถือว่าเราพลาดแล้วนะ เรากาลังสอบตกแล้วเราไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อท่านเป็นอ่าเป็นสัญญาของท่านก็สอรเรื่องสติสอรเรื่องความสึกตัวมาตลอดนะแล้ท่านก็ทําให้เราดูอยู่ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นพอนึกถึงท่านเมื่อไหร่ก็ให้นึกถึงสตินึกถึงความสึกตัวไม่ใช่นึกถึงท่านแล้วก็เกิดความเศร้าเกิดความอะไรอันนี้ไม่ถูกและแสดงว่าเราโดนความหลงมาเล่นงาน ไอ้ความหลงเหลือวิชานี้มานคอยหาช่องนะหาช่องที่จะจู่โจมเราจะเรียกว่ามารก็ได้นะมาร น, นี่มันฉลาดในการเฉลยโอกาสเหมือนกันนะในขนาที่หลวงพ่อสอนให้นับปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลยโอกาสเนี่ยส่วนมารเนี่ยมันฉลยโอกาสเป็นธรรมชาติเลยเผลอเมื่อไหร่มันก็จู่โจมนะจับจ้องครอบงำเราอย่างเช่นพอเนก่ึงจาหลวงพ่อขึ้นมาก็ แทนที่จะนึกถึงสติหรือวความรู้สึกตัวมันก็มาชวนให้เราเศร้ามาชวนให้เราเสียใจมาชวนให้เราว้าวเวงออยงอยเงาเราจะไปปล่อยให้มันมาชวนก่อกับร้องได้ง่ายๆนะะพวกเรานี่ก็เป็นสิทธิหลวงพ่อคำเขียนนะคือว่าสิทธิมีครูแล้ ว, ลวต้องฉลาดไม่ใช่ปล่อยให้ กิเลสหรือว่าความหลงหรือว่ามานี่มันมาชกากับเรากิเลสเนี่ยมันช่กากได้ตลอดเวลาเลยนะแม้กระทั่งเวลาทําบุญเนี่ยทาบุญแทนที่จะทําบุญเพื่อรั ก, กิเลสก็กลับเป็นกลายเป็นการทําบุญเพื่อเพิ่มพูนกิเลสเช่นทําบุญเพราะอยากจะได้โชคได้ลาบแทนที่จะสละออกไปเนี่ยกลับอยากได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนตัณหาหรือว่ารักษาศีลแทนที่จะ จะเป็นคนที่สงบสัมรวมถ่อมตัวเห็นแก่ตัวน้อยลงกับการเป็นคนที่ถือตัวถือตนมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นนะถือศีลมากกว่าคนอื่นเกิดมาหน้าขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเปิดช่องให้กิเลสเปล่อยเปิดช่องให้อัตตานี่มันเข้ามาเล่นงานเราเ่ยมันฉลาดมากนะในการฉวยโอกาส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 พอนึกถึงลุงพ่อเมื่อไหร่ก็เศร้าเสียใจนะไม่เป็นอันธทรรมอะไรนะแทนที่จะว่าเออนึกถึงท่านแล้วเกิดสเติขึ้นมาเกิดความสึกตัวขึ้นมาสลัดความเศร้าสลั ด, ดความเสียใจออกไปเดินหน้าตั้งตั้งใจปฏิบัตินะทำความเพียรอันนี้เรียกว่าโฉวยโอกาสในทางที่ถูกนะแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ไมฉลาดนะ